คำที่ไหนไม่สามารถที่จะรับรองไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นนั่นถูกเพราะเรียกว่างานผิดทั้งนั้นไม่ถูกเห็นนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีแค่บุพเพเทวดาเปตผีอะไรพวกนี้ต่างๆไม่มีนี่เนี่ยคิดลบล้างปัญหาเข้ามาที่นี้แสดงออกมาจากความโง่เง่าของตัวเองมืดบอดของตัวเองไงแล้วคนตาดีใครจะใครจะเชื่อได้เชื่อคนตาบอดก็ คนโง่คนฉลาดไปเลือกคนโง่ได้คนฉลาดไปเลือกคนโง่นี่หายากมากแทบไม่มีคนตาดีเลือกคนตาบอดมีได้ที่ไหนคนหูดีเลือกคนหูหมวกก็เลือกเป็นไปได้หลักธรรมของพระเจ้าเข้ามาจับความฉลาดเหลี่ยมคมของผมสะเทอเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ของหาที่ทําหนีไม่ได้เลยรู้ถึงได้ก็รู้ด้วยขยันวิริยปัญญา คือถ้าตา 8 มันจริงๆมันจะรู้แบบสุ่มแบบเดามันโลกนี้คือเลขมันเป็นเครื่องสุ่มเราเป็นอย่างนั้นหัวใจนี้แสดงมาอะไรนี่ก็เรื่องทุกโลกคำๆหาความแน่นอนไม่ได้และเราจะเอานี้ไปเป็นแบบฉบับสอนโลกฉบับฉบับสอนผู้ใดได้สอนตัวเองก็ไม่ได้อย่างนี้มีแต่พัฒนาตัวเองโดยตนบังคับอืมเป็นอย่างนี้เพราะของแต่ละอย่างๆมันมีเครื่องรักกันมันถึงจะรับได้ จะดูด้วยอย่างสันนิษฐานวิทยุโทรทัศน์ทั้งนี้ได้มันไม่มีมาก่อนเดี๋ยวนี้มันเป็นสิ่งงานซินั่นมันมีมาจากมันเป็นมาได้จากของมีอยู่มันก็ถึงอย่างนี้ไม่มีนะขอจะจับปรุงให้มันถูกกับสิ่งที่มีอยู่มันก็เห็นมันก็รู้ได้เออจับปรุงได้หรือสิ่งที่มีอยู่เหล่านั้นแต่กว่าน้อยมีเครื่องฟังก็ทําไม่ได้ทั้งวิทยุไม่เราไม่สามารถปรับปรุงเครื่อง สร้างเกิดในมรรคมันก็ลับไม่ได้เกิดทับมันก็ลับไม่ได้เดี๋ยวนี้มีทําที่ไหนมันรับได้หมดมีดิทํายังไงเชื่อมั้ยล่ะปัจจุบันนี้ก็เห็นรถทับอยู่แล้วมีออกมาจากคนโง่หรือออกมาจากคนทะลากเรื่องเหล่านี้อ่าเรื่องโลกเขาทะลากเขาก็ถึงทําให้แตกจากเราทุกเป็นคนโง่อย่างนี้หรืออย่างทะทานั้นเหตุการณ์ก็ไม่ช้าซึ่งเป็นผู้เหนือโลกอยู่ด้วยแล้วนิยมทําก็เป็นทําโลกด้วยทําไมจะเป็นไปไม่ได้ ถ้าเราจะไปเอื้อนเอาคํามันเหยียบย่ําทําลายได้เบื่อความเบื่อบ่อยของเราไม่ได้หรอกมันสุดข้ามเลยนี่ทั้งนั้นนี่ก็สําหรับสมรเราฟังนี่เขาพูดไงนี่กับความสําเร็จของเรื่องโอ้ปลดไม่ได้สัตว์พวกนี้เท่านั้นแหละอืมคายมันทําวิจารณ์นี่ข้ามไม่ได้แล้วหมดหมดสิ้นถ้าเป็นโรคก็โชคประเภท ICU คอยจะลมหายใจมันจะหมดไปทั้งนั้นนี่มันมีทางแก้ไขเดียวยาอย่างอื่นให้หายได้นี่สําหรับประเภท รับบุญรับมรรครับนรกสวรรค์นิพพานรับพูดถึงอะไรที่มีอยู่ตามธรรมชาติประมาณนั้นให้เป็นของศูนย์หาทั้งหมดไม่มีแสดงว่าคนนั้นหาสาระได้ไม่ได้หมดความหมายมันจะมีชีวิตอยู่เหลือเป็นลงหาใจฟอดๆๆกันนะกันนั้นน่ะยอมรับตามถึงตามขั้นตอนของสิ่งที่มีตามเพศตามรูปให้ดูช้างกับคนอะไรใหญ่กันโตกันอย่างนี้ นักคนกับหนูนะอะไรโตกันรับเราไปเสร็จมันได้มั้ยหนูมันตัวเล็กคนมันตัวใหญ่ช้างมันก็ใหญ่กว่าคนนะพวกยุงพวกมดก็เป็นตัวนี้มันตัวเล็กกว่าคนเห็นมั้ยนั่นมันเป็นขั้นตอนขั้นตอนของมันเองแล้วยิ่งที่ถูกแล้วเชื่อร้องอือเช่นอย่างนี้ว่าต้น สามารถมองเห็นด้วยการรับปฏิเสธครับแต่ว่านี้มีได้มั้ยทําการนิเทศว่าเชื้อโรคนี้ก็เอาน้ําที่เต็มไปด้วยโรคอดิบาน้ํามากินอย่างนี้ที่มันตายนี่นะเท่าที่น่าสิในเชื้อโรคนี้มีอะไรจะเป็นนิสัยที่จะตรวจได้หึได้เห็นมากนะประกอบให้ดิไม่ว่ามันจะตามด้วยเฉยต้องใช้เครื่องนะอันนี้พวกกล้าคลิปก็เหมือนกัน ประทายตาทิพย์เหรอสิเสียงเทพประทายหูทิพย์อ่ะสินั่นมีเครื่องเรามีแต่หูหนังแล้วมีบาดมีหนวดด้วยตาเนื้อนี่ก็ยังผ้าปางด้วยแล้วจะไปอวดดีกว่าพระพุทธเจ้าเลยเถอะนะนี่น่ะมนุษย์เราห่อสลามยังอวดฉลาดคนเราคนฉลาดจริงๆไม่อวดไอ้น้อยน่ะมันคิดแหละความโลภความโกรธความหงุดหงิดมันเผาหัวใจอยู่ถึงยังไม่ถือเป็นของดีได้ อันที่มาปากทั้งหลายที่ขยับขย้างมากที่สุดทีเดียวเราก็ยังถือเป็นของดีมันต่างกันอย่างไรระหว่างทรัพย์สินทั้งกับพวกเราความโลภก็คือเป็นของดีได้โลภเท่าไหร่ยิ่งดีโลภเอาคนอื่นของคนอื่นได้ยิ่งดีกดโกงรีดแถงคนอื่นได้ด้วยอำนาจทะพาเงินเถื่อนทั้งต้นแบบเป็ดแบบถือแบบยักมันมันน่ายินดียิ่งดียิ่งดียิ่งดีได้โกรธคันแล้วก็ยินดีนี่น่ะสิลงกระทําตั้งบันตายิ่งดี อะไรเนี่ยมีแต่ล้ําๆดีๆถ้าเป็นของชั่วแล้วมันว่ายินดีทั้งนั้นถ้าเป็นของดีแล้วมันมาเป็นของชั่วมันกลับตรัสตัดกันนี่น่ะคนดีคนชั่วมันผิดตรงไหนเราดูเอาที่หมาเข้าใจว่าหอมไปแล้วก็พระเจ้าที่หมามันกินกันข้าวงามอาหารทั้งหลายที่เคยเป็นอาหารมนุษย์นี่จะไม่ยอมกินอ่ะแต่ปฏิเสธกันนั้นพลังอ่ะเมื่อมันพิกามันต่ําน่ะเข้าหน้าค่ํามันจะเป็นอย่างนั้น อะไรเป็นของชั่วมันเสร็จสิ้นเมื่อเป็นของดีอะไรเป็นของดีมีเหยียบย่ำทะนาเป็นของชั่วทีนี้ก็มีเหลือตั้งแต่หมาอย่างเงี้ยมันกินมนุษย์ตัวทีนี้พละมนุษย์พละโดยหลักๆความจริงต้องถึงขี้หมาทั้งที่เราก็ไม่กินหือมันชอบอย่างนั้นอยู่แล้วไอ้กรรมของมันนี่การสอนเรื่องความสลัดสลัดมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์นี้เกิดเป็นของมีอยู่นั่นเป็นลักษณะอย่างนี้ เรามีอยู่พอดีอยู่ลงมือดูเป็นคู่เตรียมกันกระบะประบุญทำมีอยู่นั่นข้างในคําว่าคําโกรธคําหงุดเป็นสายชั่วทําเป็นสายดีเป็นเครื่องใช้ที่เหล็กนะมันมีเป็นคู่เป็นคู่อันนี้ไปที่เสร็จไปได้ที่ไหนมันมีอยู่กับตัวทุกคนถ้าเราไม่มีใครเคยโกรธไหมสงสัยได้ยังไงใครให้โกรธมั้ยสงสัยได้ยังไงมันมีอยู่ทุกคนใครหลงมันไปหลงไหมสงสัยได้ยังไงนี่ แล้วทําแก้คําโลกคําปดคําเหล่านี้นี้เป็นอย่างใดเรายังไม่เข้าใจใครแล้วมัคสาว่าทําเป็นอย่างไรนอกจากคุณเหนือเราเท่านั้นจึงจะสามารถนําธรรมนั้นมาแก้ผิดรามกตกปดห่านี้ได้แล้วประกาศสอนให้โลกทั้งหลายได้ทราบในวันนี้ที่เรียกว่าศาสนธรรมก็หมายถึงน้ําที่สะอาดสําหรับชะล้างสิ่งที่ตกปดสกปรกที่หัวใจของท่านนั่นแหละแล้วมีมั้ยล่ะสิ่งนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เราก็ไม่เสร็จได้มันแล้วถ้าทําไปเสร็จอันนี้ไม่ได้ประติเทศบาปบุญได้อย่างนั้น เพราะฉะนั้นนี่มันมันเป็นเรื่องของบาปทั้งหมดทั้งนั้นนะทําพละกรรมหิมาธิการสับคําคิดกุงการติดใจดีชั่วข้างกลางเนี่ยว่ากรรมทั้งนั้นนั่นผลเกิดขึ้นจากความคิดความปรุงเกิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะมาพิเศษนิบาปคือดีชั่วสุดทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดทุกข์ดีชั่วทั้งหลายไงมันเห็นมีกระทัพอย่างเนี้ยดูหน้ากระดวงของเรานี่แล้วจะล้อมกันล้อมตัวของเรานี่ทําลายบาปบุญทําลายผาทําลายทางก็ทําลายตัวของตนแหละเฮ้ยทําลายที่ไหนเราจะเอาความ ด้วยคือสภาวะนั้นในการทำลายศาตนาธรรมในทำลายความจริงซึ่งเป็นการทำลายตัวน่ะเห็นพยายามสอนทุกญาติภูมิอย่างให้มีความมีความปัญญาฉลาดละเอียดมากมากทีเดียวน่ะโอ้โหนั่นเองนะปัญญกติปัญญาเป็นของสำคัญมากอย่าเห็นว่าเป็นของเล่นนะผมสอนอยู่ทุกเวลาเวลาไม่เคยกัดกระจ่างเรื่องของสติปัญญามีความเกินเป็นซึ่งหญิงเอาตาก็ตาเถอะตาในโรงความรักใหญ่ มันมีใครปุถุชนะแล้วความฉลาดของเราปุถุชนะเราอื่นแล้วปุถุชนะแล้วความฉลาดเราจะไปฝ่าเมืองอ่าแล้วจะให้มีธรรมะปุถุชนะธรรมะรู้ได้ธรรมะตาหูตั้งอย่างงั้นแหละเอาคําจริงดับมันลงไปนี่ความโง่อยู่ทางไหนอ่ะคิดกรองฉลาดขึ้นมาเอาความฉลาดมาแก้ความโง่แก้ความโง่ให้เป็นน้ําดําๆนั่นนั่นแหละคือว่าเราท่องปุถุชนะได้โดยลําดับแก้ความโง่หมดจากหัวใจแล้วนั่นแหละมหาปุถุชนะตามฉลาดอยู่ที่นั่นเจ้าจะเป็นถ้าตื่นไม่ได้ตื่นโลภะสื่อทั้ง 3 ขนบความเียมอะไรอะไรว่ากันไปโดยมหาความจริงทําเป็นพิธีกันไปนั่นตายสิไหนแผ่นรกสุคลาตํานานสุคลาตํานานไม่ค้นใจสุคลาตํานานทําแต่ละที่จะแช่ตัวเองเราจะไม่พูดตรงๆเมื่อเราตายอย่าห้ามนิมนต์ท่านมาปุตตลาให้ท่านลําบากนะเราบอกตรงๆเลยเราพูดมาแล้วทั้งหมดแล้วเราพูดเรื่องความจริงเรื่องความอาถรรพ์ไม่จะพูดเรื่องคําท้าทายกับหนุ่มผู้ใดทั้งนั้นจนกระก่อนเราก็ไม่เคยพูดอย่างนี้ เราก็พยายามสร้างบุญศีลอารมณ์ขึ้นทางจิตใจให้ความสนั่นสร้างสติสร้างปัญญาศรัทธาความเพียรให้แก้ตัวไหนมันโง่ที่เหลือทุกข์ตัวมันจะนึกให้เราโง่งั้นแต่ตัวกิเลสมันพลาดถ้ามันเป็นแก้เรื่องให้เราโง่นี่ออกไปสายนาวก็เป็นผู้ฉลาดขึ้นมาด้วยบุญศีลอารมณ์ของเรานะอย่างงั้นถ้ามันเป็นหมดไม่มีอะไรเหลือทางจิตใจแล้วบุญศีลอารมณ์ของมันหาอะไรนี่นี่หาอะไรอันนั้นเป็นเรื่องสมมุตินั่นแหละขอให้ตัวจริงบ่ได้ทุกข์มีไหนอยู่ได้ทางไหนพาได้หมดเลย แล้วมองขยายอะไรเรื่องความเป็นความตายเส้นของธรรมดาธรรมดาแล้วนี่มันยังมีอะไรผิดแปลกเลยนะความแก่ถึงความทีความตายมันมีความหมายเหรอมันตั้งขึ้นมาตามเรื่องของมนุษย์ค่อนข้างเถอะยาเกิดกันมันอยากการเป็นอะไรเหรอยาเกิดกับยาดับตายมันก็เป็นอันเดียวกันอือออกมาจากเงื่อนเดียวกันความเกิดเป็นตั้งเหตุให้กับการตายเนี่ยถ้าเราไม่อยากเกิดพอเราไม่อยากตายก็พยายามแก้ไขยามันเกิดมั้ยอึเมื่อ ต้นมันมีนี่นะเป็นกระดังนั่นก็ต้องตายต้นเหตุมันคือเกิดตายเป็นคู่เพียงกันมันเป็นผลออกมาจากวิบากอันนี้ที่เกิดมาแล้วนะและแก่หัวใจที่เป็นตัวกิเลสสําคัญตัวเชื้อสําคัญมันจะขอพกขอกําเนิดต่อไปอัตตภาพนี้ยังไงก็เท่านั้นแหละแก้ไม่ได้แก้ให้มันตายไม่ได้มันเกิดมาแล้วนี่จะมีบาปเป็นชะเตนคือผลองค์อัตตะผลของกิเลสมันสร้างอัตตน์ให้กับโลกสร้างกรองครอบครองในร่างกายของตนนี้ ส่วนไหนที่มันหาความสุขนี้ได้นี่แหละมีนะถ้าเห็นมีว่ามีความสุขความสุขมันสุขที่ตรงไหนเกี่ยวกับร่างกายผมพิจารณาดูแล้วมันไม่เห็นมีเพราะมันมีธรรมดาธรรมดาครับเกิดความทุกข์ขึ้นมามีธรรมดาแล้วก็หิวนั่นก็หิวนี่เจ็บนั้นปวดนี่เวลาไม่เจ็บไม่ปวดปกติก็ว่ามันสุขมันไม่ได้สุขมันดีเฉยๆธรรมดานี่จิตทั้งหน้าเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์ถ้าจิตอยู่ไม่เป็นสุขจิตก็เป็นทุกข์จิตทุกข์สมนั้นมันมีเรื่อยๆ ท้องหน้ามันจะได้มันถุดมันลากไปให้คิดให้ตึงให้เกาะให้เปลี่ยวให้ยึดให้ถือให้จับนั่นจับโน้นกับนี่ไปอะไรไม่ว่าละซึ่งเป็นน้อยนั้นที่เนี่ยแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นลากกระสัดลงตรงลงมาเดิมนั้นอันดับถ้ามีธรรมติดรากขึ้นมาแล้วลาดเพราะฉะนั้นสร้างทําซึ่งให้มันเต็มที่ใจพิจารณาอะไรมันจริงดิดูอะไรให้ดูจริงด้วยสติด้วยปัญญาจดจ่อกับนั่นจริงๆอ้าวกําหนดร่างกายส่วนไหน ท่านว่ามันเป็นอทุกขะอย่างนี้เป็นต้นอย่างนั้นอทุกขะท่านมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่หมดทั้งตัววัวเราไม่ดูสติมันเลื่อนลอยจิตใจมันเลื่อนลอยสติขาดๆจมๆไปปัญญาก็ไม่มีนอนจมไม่ทราบอยู่ที่ไหนปัญญาได้ยินแต่ชื่อแล้วมันจะมารู้เห็นของจริงคือคําว่าปฏิคุณได้ยังไงทําไมรู้เห็นด้วยปัญญารู้เห็นด้วยสติมีใจเป็นผู้ทํางานแล้วไม่มีทางรู้ ธรรมเสวยในกรรมตบพระไตรปิฎกมันเราไม่ประมาทเจอพระไตรปิฎกก็ได้จากความต่ําความคิดไม่ปะกดในการถ้าไม่ออกสั่งทําความอภิบัติเพราะฉะนั้นพยัตติที่ต้องมีปฏิบัติปฏิบัติแล้วผลของกรรมดีกว่าที่ถือปฏิเวธนะพยักในการศึกษาเห็นเราเรียนจากอุปชานะเทศน์ลงมาณคันตตะโจนั่นที่พระสังฆยัสเรียนแล้วฉะนั้นเราก็ดูรู้สิ่งนั้นที่มีเรียนไปให้รู้วิธีการนั้นเลยมีเรียนกับพยัตติปฏิบัติท่านสอนว่ายังไงเอามาดําเนิน แกก็กําลังการณ์สิท่านอาจารย์ก็สิทําให้ท่านจําให้เฮ็ดทําอะไรทําให้มันพิจารณานี่งานดูนี่งาเสรษฐายังไงโรมาเนอะไรขนาดใจนั้นว่าจะเจอเผาโรมานะคารันคารุเนื้อหนังกระดูกต่อไปใส่ปุ๋งอย่างไหนดูไปเถอะมันเป็นธรรมฐานเท่านั้นโหมันเห็นชัดแจ้งตามจริงแล้วมันจะเฮ็ดได้ยังไงจิตนี่งารู้ที่ท่านทําจริงน่ะมันปล่อยเองอุปาทานมันจะฝังลึกยิ่งกว่าอะไรก็ฝังเถอะ ถอนจึงมาอีกมันมีอนาคตจะลึกยิ่งก็ปัญญาปัญญาตามบุคคลขึ้นมานั่นน่ะอ่าจะทําลุ่มๆลําลองทําสักแต่ว่าทําวันนี้ทีหนึ่งทําแล้วไม่ได้เรื่องเลยเอาอะไรไม่มีความตรงใจทั้งอกทั้งใจตั้งแต่ท่านตั้งแต่ทีแรกมาอ่าเอาตายก็ตายตายเลยด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ ทุกลําบากลําบนนรกก็เคยทุกมาแล้วด้วยกันอยู่ที่ไหนมีประชาเป็นบ้านเป็นเมืองแม้ที่ในเมืองก็มีประชาแต่ว่าเมนน่ะทําไมเห็นอยู่เมนในโรงพยาบาลประชาแล้วว่าจะโรงพยาบาลเป็นเครื่องรักษาคนให้หายโรคได้แค่เดียวเลยเหรอคนตายในโรงพยาบาลมีมากนี่กว่าที่อื่นแต่ว่าเมื่อละคนได้หลายนัก 3 ได้มันก็ตายตายแล้วที่ยกออกมาจากโรงพยาบาลแล้วมันดูได้เพียง 1-1 มันคนตายสัก 7-400 คน ชาววิญญาณตามคําสั่งโรงพยาบาลก็คือป่าช้านั่นเองคนใหม่ๆเตื้อใหม่ๆมันก็ตายตามมันก็ออกมาอ้าวคนนี้เค้าไปอยู่อ่าคนนี้หามาอ้าวคนนี้ก็ไปอยู่อาการตายในนั้นผักนั้นเปลี่ยนไปอีกนี่ว่านั่นก็คือป่าช้าดูเอาออกนั้นก็มาเผาทําเมืองทําป่าช้าทําในป่านี่เปลี่ยนไปแล้วแต่มันมีกระทั่งอย่างนั้นแหละอืมดูมันแค่เพียงนี้มึงกระทั่งคําสั่งมันเป็นอย่างนี้ไปอยู่ไหนดูที่ไหนมึง ถ้าดูก็ทำจริงไม่ข้ามจริงเต็มโลกเต็มทั้งสังขารพออย่างนี้ในโรงพยาบาลได้ยินเลยตรงนี้ทางสังฆาตาก็ตกใจด้วยว่าป่านโห้ยเสียงเป็นแถวอยู่มีแต่คนจนก่ออกสมองคนจะล้มจะตายโรงพยาบาลนี้ลาอาไม่ได้จะปฏิพทังข้อนี้เดินผ่านในอำนาจตระหลวงสังเวยที่ว่าเนี่ยนั่นนั่นดีไงทีนี้ครับเนี่ยคนจะจะตายตายทั้งนั้น เผากันสังค์ลงไปจิตใจไม่ตายพี่หน้าคางสิวิสัยมันกระจมมันลงไปแต่สลายลงไปใจใจมันไม่สลายดิมันก็ต่อๆกับเหมือนเกิดอิอวิชชาปฏิจจาสังขาราสังขาราปฏิจจาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปยัสสราลิตนหารินะปัจจาภัตโตภตตตกะภิยาเนระณาวิญญาณตันหัสสาภารามังปารานังตานะปัจจยาทโวเพราะปฏิจจาชาตินั่นเห็นมั้ยน่ะ ก็ส่วนการได้ขึ้นขยายออกมาขยายมาถึงกันเนี่ยถ้าติดปริยาชะละมะอิตรามะลังโศกกับเวรดุรํนุปายาชาท่านภวันติอืมเหล่านี้เป็นเรื่องมาจากสมุทัยทั้งนั้นนี่เวลาเกิดแล้วนี่คือต่อสืบต่อเครียงมาจากอวิชชาเป็นต้นเหตุเลื่อยมาทั้งทั้งถึงชาติปิโลกะสระติภาวะมานำปิข้างโศกกับเวรดุรํนุปายาชาทีฆา แล้วก็เออมนี่ก็ตะเกวะตะกัคันธตะซึ่งบ่ได้โห่ไอ้นั่นหลังเกวลานั้นคือว่าเราทั้งดวงนี้น่ะที่ถือเนื่องมาจากอวิชชาทั้งทั้งถึงสุดท้ายนี้เป็นเรื่องของสมุทัยถือเนื่องจากอวิชชาทั้งนั้นนี่สาเหตุที่จะทําให้สัตว์โลกเกิดมันอยู่ในหัวใจของคนทุกคนแต่เราไม่ดูนี้จะไปไปรูปกขันธ์เมาะตายแล้วศูนย์แล้วศูนย์อันนี้มันไม่ได้ศูนย์อันพาให้เกิดนี่อวิชชาปัญญาท่านพระราถ้าอวิชชาปัญญา ภาระนี้มันสูญกับพระอิจฉาและตะเววาเสตมีรากานี้โหถ้าสังขารนี้โหสังขารเหล่าทับกับวิญญาณนั้นอยู่ทุกข์เรื่อยก็จะกระทั่งถึงทานกิริยทุกข์ค่าเวลากระทั่งมานานติภังเข้ากับด้วยทุกข์ลงเนื่องที่ปายสัตว์อยู่ค่ะต่อนั้นก็เอวเมตตากับเวลาด้วยขันธะนิโรธโทกเข้าไปนามทั้งหมดนี้เพราะวิชชาตัวเดียวเท่านั้นดับไปตายไปเป็นนิโรธนี่ดับทุกข์โดยประการทั้งปวง <laughs> นั้นอวิชชาปฏิจจาขั้นว้างนั่นนี่แหละหลักเกณฑ์ของสัตว์โลกเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ไม่เหนือจากนี้ไปได้เลยเราเอาปฏิบัติมาก็เป็นอย่างนั้นเราหาที่พัันไม่ได้นะเราพูดอย่างอาหารอวิชชาปฏิจจาตัวอวิชชานี่เป็นตัวสําคัญมากเวลาปฏิบัติไปตีตร้ําเข้าไปตร้ําเข้าไปตัดสิ่งกั้นรากกอยรากอะไรก็ไปเลื่อนเรื่อยจนกระทั่งถึงหน้าแก้วก็คือตัวอวิชชาถอนผู้วัดขึ้นมาทั้งหมดเท่านั้น นี่ต้นไม้ตัวนี้ตายไม่มีหรี่แล้วมันจะเหลือสีเหลือกันสักขนาดนั้นมันกรรมไปด้วยกันหมดถ้าเราเพชรถอนหน้าแก้วขึ้นมาเลยฮะหาทางนี้เจริญม่วงงามปีไม่ได้เลยนะมีข้อเท็จจริงอริยชาก็เหมือนกันเมื่ออริยชาและตะเววะเศษศรีรากานไปกันหมดไปเรื่อยๆเรื่อยๆพออริยชาดับอันนั้นก็ดับอันนั้นก็ดับอันนั้นก็ดับดับๆๆเรื่อยไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยอริยชาก็กลายเป็นทุกข์นะ <the> นี่แหละหลักแก่นของวัฏจักรถ้าว่าใครจะลบล้างวัฏจักรคือความตายแล้วเกิดไม่ให้เกิดต่อไปอีกเพื่อจะทําให้ตาต่ออีกแล้วให้ลบล้างตัวเหตุนี้ให้ได้อวิชชาปฏิจจาทั้งฐานนี้ซึ่งมีอยู่ในหัวใจถ้าลบล้างไม่ได้มันจะคลี่เกล็ดสักเท่าไหร่ก็ตามว่าตายแล้วสมถ้ามีทางสู่ได้ก็คือผู้นั้นแหละผู้ที่เป็นนักเกิดนักแบกหามของทุกข์ที่โลกทั้งหลายเขาไม่แบก หนักยิ่งกว่าผู้นั้นผู้นั้นจะหนักยิ่งกว่าใครทั้งหมดผู้อยู่สังฆะนัตตาแล้วถึงเพราะไม่ได้คิดหน้าหลังอะไรว่าพบหน้ากับหน้านี้อย่าทําอะไรก่อนทําทําตามใจชอบทําตามจะชอบก็คือเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมมันจะเอาทําบิดธรรมได้อย่างนั้นก็ทําตั้งแต่ความทรมานก้นคือความทุกข์ทรมานทั้งหลายใครจะเป็นผู้แบกผู้หามถ้าไม่ใช่ผู้ทําใครจะแบกนั่นล่ะผู้นั้นน่ะจริงๆมันจะแบกหนักที่สุด เราเป็นนักปฏิบัติให้พิจารณาตรงตรงนี้อย่าลืมตรงนี้อาจารย์ท่านแล้วก็ตามอย่าหลงบ้างกับเรื่องบ้างของผลของโลกที่มีกิเลสหนาแน่ในหัวใจพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสพระพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องอภิชฌาปฏิญาณโดยที่พระพุทธเจ้าทรงเคยกันอภิชฌาปัญญามาแล้วอภิชฌาปัญญาเคยครอบคร่ําไทยทรงมาเป็นรางวัลเพิ่นสามารถชนะได้หมดโดยที่เพิ่นไม่มีอะไรนะจึง ถ้ามาประกาศทําต่อโลกได้อย่างไม่จะทุกข์ทานเนี่ยรัตตกันไม่ให้เกิดอีกคืออวิชชาปฏิจยาแม้แต่เรายังในเวลาที่เราปฏิบัติเราไม่เข้าใจเรื่องสิทธิ์ทั้งทั้งนี้มันก็ทานไปหมดนั่นแหละความรู้มันเหมือนหมวดอีกมีทั้งตัวในศาสตร์ชีวิตอวไรเป็นความรู้อะไรเป็นใจอะไรเป็นใครมันก็ผ่าไปหมดแบกไปหมดทั้งการเนี่ยผ่าเป็นตัวเนี่ยว่าเป็นผู้รู้ว่าเป็นใจ เมื่อนั่งอภิปัสสนาเข้าไปอภิปัสสนาเข้าไปความสงบตายจากกิฏฐะภาวนาก็ค่อยตรั้งตัวเข้าไปตรั้งตัวไปจิตนี้ส่วนสงบจิตนี้ความสงบจิตนี้ความสงบเด่นดวงน่ะวังเวทด้วยกันท่านไปเมื่อเด่นดวงไปแล้วก็ทราบได้ชัดพอต้องปรนตามขั้นของสมาธิเพียงขั้นนี้ก็ทราบได้ว่าจิตแต่หนึ่งกายเป็นอันหนึ่งนั่นทราบแล้วโดยไม่ต้องไปถามใครแล้วนี่ภาคจากหลักภาวนาที่เป็นหลักรับรองแล้วนั่นเอง ก็ได้นั่งกับพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ออกให้เห็นตามความจริงเข้ามัน 1 อนิจจังทุกขังขันธมาตาแต่ละองค์อันของร่างกายนี้มีอนิจจังทุกขังขันธมาตาครบรอบครบครบครบสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นการพิจารณาทั้งหนักในทางนิสังก็ตามทุกขังก็ตามนะตาก็ตามมันเป็นไปพร้อมกันในแต่ละทั้ง 3 โดยสมมุติพัฒนาในการพิจารณาต่อถ้ามันยังภาพความจริงถึงใจแล้วเถอะ เสเลปมันจะจมลึกขนาดไหนมันถอนออกมาได้หมดนี่ท่านปัญญาถ้าขาดจากสิ่งเกี่ยวโยมคลายเสื่อความหมาลายเพื่อปัญญาทากทักทักทิปัสเข้าไปขาเข้าไปขาเข้าไปรู้เข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้สมาธิเป็นหรือเพียงมาตะล่อมสิกเข้ามาสู่ส่วนรวมหรือตะล่อมกิเลสเข้ามาสู่ส่วนสู่ส่วนรวมแล้วปัญญาอันผู้แยกแยะทั้งพวกที่ชาญทั้งพวกฟาดพันธุ์หั่นแยกกันลงไปตามประเภทของกิเลสและประเภทของปัญญา มันในละประเทศนี่ธรรดาชอบกิเลสขั้นดาบธรรดาก็มีทั้งขั้นดาบอ่ะขนับกันไปขนับกันต่อเอาขั้นกลางขั้นละเอียดละเอียดสุดสัญญาก็ละเอียดสุดต่างๆลงไปมันก็ทันกันไปคำว่ากิเลสละเอียดละเอียดนั่งสมมติอวิชชานั่นเองสัญญาที่ละเอียดสุดก็คือมหาทิฏฐิมหาปัญญาทันตานะนักศาสตร์ออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือพันอาจารย์เลยนั่นแหละเทคนิค ถ้าพัดไม่ต้องไปถามใครสาธุพูดไม่ได้โอมเจ้าคุณไม่ก็มาแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้เราก็ไม่ควรถามท่านจะทูลถามท่านยังไงความจริงมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันท่านก็สอนอย่างนี้แล้วความจริงก็เป็นอย่างนี้ได้ถ้าไปทูลถามปัญหาอะไรก็เหมือนกับการรับธรรมเมื่อต่างคนต่างรับธรรมครูก็รับธรรมนักเรียนก็รับธรรมอ้าวสาธุครูกับนักเรียนรับธรรมร่วมวงกันแล้วเราจะไปถามครูได้ไงเพราะเราทางความอื่นมันเต็มที่เหมือนกันงั้นว่าเดี๋ยวมาครูใหญ่ไม่ต้องถามกันนะนี่ เดี๋ยวเรื่องคำกินมันเหมือนกันหนะจริงไม่ต้องไปถามกันเพราะมันเหมือนกันอยู่แล้วมันก็เอามันกินมันกลับผู้ปฏิบัติอย่าท้อถอยเรายังเห็นอะไรยิ่งใหญ่กระทําที่เราจะถึงไปนะครับผมและขณะเดียวกันที่เป็นต้นเหตุเราจะเห็นอะไรยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าความคุกที่ครอบหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะครอบด้วยท่าล้มขันธ์ครอบหัวใจของผมสําคัญ หัดแก่ลงที่ตรงตังค์เอาให้จริงจังถ้าติดตั้งปัญญาหมุนตัวไปเวลาพิจารณาพิจารณาให้มันจริงมันจังอย่าทําลอกอะไรเลยเพราะพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนลอกเลยเอาให้มันจริงกันเมื่อเห็นอะไรรู้อะไรให้มันถึงใจทุกอย่างถึงใจทุกอย่างถอดไปถอนไปเรื่อยๆจนมาถึงมันมันมีเป็นใบเดียวข้อหน้าสําคัญเพียรเนี่ยสําคัญมากนี่ก็คือปัญญาเป็นเครื่องหนึ่งสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นจะรู้ที่ใจนั่นแหละ มันมีอะไรที่จะเยี่ยมยิ่งกว่าใจท่านมีอะไรที่จะแหลมคมกว่าสติปัญญาที่สามารถตระรู้ได้เมื่อรู้ถึงเหตุถึงผลต้นเหตุต้นผลคือสิ่งทุกอย่างแล้วใจก็สมุบหัวใจสมุบแล้วหมดความบกพร่องต้องการอะไรในโลก 3 นี่ไม่มีอะไรต้องการอยู่อย่างอิสระเสรีแม้จะอยู่ในขันธ์ถ้าขันธ์จะมีความทุกข์ความลําบากทรมานด้วยโลกใครใครเจ็บประคัดอะไรก็ตามก็รับภาพมันไปเท่านั้นไม่มีความดีใจเสียใจ อันนี้ความปยุตต์ไปถือเป็นกาวนุธมหานะกรรมันเพราะก็ทราบแล้วว่าร่างกายของเราทั้งร่างนี้น่ะมันมีดินน้ําลมไฟกันนั่นเองอ่าใครมาอาศัยดินน้ําลมไฟไม่อยู่เฮ็ดได้จึงจะไปยึดเอาดินน้ําลมไฟมาเป็นตัวล่ะงั้นมันเห็นชัดเจ้าพรรค์อย่างนั้นสิอันนี้ธาตุดินอันนี้ธาตุน้ํามีธาตุลมมีธาตุไฟอันนี้เป็นอากาศธาตุแน่นี้เป็นมโนธาตุแน่รู้กันนั่นกันแล้วก็จะไปยึดไปถือกันอนังทั้งหมดอาหาร มันก็คงไม่จะเรียกว่ารู้ชัดได้อย่างนั้นเมื่อก็ทำงานกับกินเท่านั้นอยู่มันเรียกว่ารู้ชัดชังตลอดถึงว่าแล้วมันจะไปก็ไปดิเออไปเรียนจบเหมือนแล้วนี่เรียนธรรมะก็เรียนเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนี่ฮะเรียนเรื่องอะไรรู้กระใจเวทายก็คือรู้ธรรมเมื่อรู้เต็มภูมิแล้วมันก็หมดปัญหาทั้งที่มันยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่มันอยู่ปกติทั้งที่จะแค่ได้ป่วยทั้งที่มันจะตายนะรู้เท่าธรรมทุกอย่างรอบตัวอ่ะนะ ถ้าถ้าไม่มีอันนี้ติดขึ้นมีก็มีแต่ประชาของกาตายแล้วก็ไปใส่ไปเถอะเหมือน 18 อะไรผ่าดินน้ําลงไปหรือเดินไปกระเหยิบดินเหยียบน้ําลงไปไปอยู่แล้วนี้ตัวของเราผีน้ําลงไปถ้าอันนี้เป็นลักษณะกันก็ดินน้ําลงไปทั้งหลายกับเสมอกันนั้นก็เท่ากันนั่นเองเพียงหามันเห็นความจริงเสมอกันอย่างนั้นเออคุณเริ่มเข้าเลยคุณนี่อะทั้งนี้ตามธรรมัญญาที่ว่า